ต่นะอไปเขาเชิญจันนุกกล่าวนมาส ก, การพระอาจารย์พระภิกษุแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะค ะ, อะขอขอบพระคุณสถา บ, บันอาสมศิลป์เพราะว่าที่ให้โอกาสเข้ามาปฏิบัติก็คล้ายๆพี่ปิตเตียคะ่ะคือกลับบ้าน <laughs> กลับบ้านแล้วก็ <laughs> ก, ก็ปกติค่ะลูกสามคนแล้วก็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 บอกว่าถ้าแม่โทรไปต้องรับนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีห่วงบ้างค่ะจนช่วงไปทานข้าวเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เขามาโรงเรียนก็ให้เขาเดินมาเองเพราะว่าอยู่ ใ, ใกล้ๆก็ถ้าถ้าวันไหนไม่รับโทรศัพท์แม่ก็จะเป็นกนังวลกลับไปดูก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่านอนต่อ <c oughs> ก็พอดีพี่สาวไม่อยู่ค่ะพี่สาวไปพักสนามพี่สาวที่โตมสามไปพักสนามกับ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 การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงชอบกิจกรรมตอนเช้ามากแล้วก็คิดว่าเราต้องเอากลับไปทานะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินซึ่งปกตินี่ก็ก็พยายามทำทากินเองแต่ ว, ว่าเพราะว่าเป็นคนสมมตข้ามไม่เป็นทำแล้วก็มัะสมดกํำลังใจว่าไม่มีคนกินแล้วแต่ว่า ประมาณอีกปลายเดือนเนี้ค่ะจะไปเข้าคอร์สหมอเขียว เ, เพราะว่าคุณแม่ไม่สบายยังยังไม่เข้ามาถึงที่นี่เลยนะว่าอาจาสังเกตเวทนาแต่ละวันไปยังไงก็มาๆๆเข้านี่ก็เป็นคอร์สที่มีพัฒนาการขึ้น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 อาหมดเวลาแล้ ว, ลวเหรอเมื่อวานห้าชั่วโมงครึ่งก็เฉยๆนิวรก็สามารถค่ะคือว่ามากที่สุดก็ง่วงวันแรก ว, วันที่สองง่วงมากแต่ว่าก็ไม่ก็เคยง่วงกับ น, นี้อีกเคยง่วงหัวทิ่มกลางและรู้จงกลมก็เคยมาแล้วก็ก็แก้ไม่ค่อยได้บางทีบางบางทีแบบว่าเอ้ยช่างหลวงตาจะมาเห็นก็ช่างขอหลับหนะึ่ย อะไรอย่างเงี้ยก็เคยมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมันเบาบางลงมากมาแล้วก็ความรู้สึกตัวเวลาทำรรเนี่ยก็ก็ดีแต่ว่าหนูอาจจะบางทีชอบคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ช็อตเล็กๆสั้นๆบางทีก็เป็นคำพูดคนเป็นบทสวดมนต์เป็นคำพูดที่พระอาจารย์เทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชอบเข้ามาแวบๆแวบๆแวบ ๆ, ๆแต่ก็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 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวเองเนี่ยกย็สิ่งที่เห็นก็คือว่าความบกพร่องในในความเป็นตัวเองเราอาจจะมีความแยบคายน้อยเห็นตัวเองเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าความใจร้อนเนี่ยจริงๆเที่ยวที่สังเกตมาที่ผ่านมาหลายครั้งก็ใจร้อนใจเย็นมากขึ้นแล้วก็โกรดน้อยลงเวลาแบบลูกลูก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 ก, ก็รู้สึกว่าโดยรวมค่ะโดยรวมดีขึ้นการปฏิบัติครั้งนี้ก็ดี ด, ดีค่ะทำให้อยากมาปฏิบัติอีกแสดงว่ายิ่งฝึกก็ยิ่งได้ผลขอบคุณนะเอามากำลังเห็นหนิวิตใหม่ของโรงเรียนลูกอรุณ น, นะ จะต้องมีรุงอาลุนสองนะอาจารย์ประภาพัฒน์สำหรับผู้ปกครองผู้ปกครองต้องมาเข้าโรงเรียนด้วยบอนเข้ า, าต้อให้ไปสอนอ่ต้องให้ไปสอนใช่คือคือครูที่คื อ, าาอการไปสอนไม่เกี่ยวค่าเรียนคืออย่างนี้นะครูที่มาฝึกจากลุงอรุณนะคนไหนที่มองทำไมามองเองอเรียกคุณมาลลีกลับมาเพราะเขาจะเป็น อครูสติสําหรับครูแม่บ้านต่อไปอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรียกกลับมาฝึกวันที่สองที่สามแล้วครูนกด้วยไม่เป็นหมอแล้วเป็นครูแล้วตอนนี้นะะเอคือจะมีอาลุงอรุณสองขึ้นมาสําหรับผู้ปกครองเพราะที่นี่เอาผู้ปกครองก่อนเมื่อเอาเด็กมาแล้วก็ผู้ปกครองมาเข้าสําหรับผู้ปกครองคนไหนที่มาเข้าโรงเรียนนี้จะไม่เสียค่าเทอมโอ้นั่นคือร า, างวัล แต่ว่าจบหลักสูตรนี้แล้วจะต้องเป็นวิทยกรของอาสมศิลนต่อไปอนาคตอาแล้วครูที่อาสมศิลนนี่จะออกไปเป็นครูวิถีพุทธทั่วประเทศเลยโอ้โหโครงการใหญ่มากเลยจยันกรพัฒน์รับทราบไว้ด้วยว่ <laughs> างานสองงานนโปรเจ็บเกิดเดยอะเลยกหนนะ่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มามองว่า ความเป็นพุทธในในประเทศไทยของเรามันน่าจะเพิ่มขึ้นโดยวิธีนี้นะถ้าไม่ขยายโดยวิธีนี้เนะี่ยความเป็นพรรมณ์มันก็นยังครอบต่อไปอีกหลายศตวรรษนะแต่โดยวิธีนี้มาว่าความเป็นพุทธของเราจะเยอะขึ้นก็เริ่มต้่นจากพวกเรานี่นะแหละดังนั้นเองใน